Book 2ูห้าสาอี r รร้านค้าทร govine เรากาลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา m i t r a จิมโอพรดาวนน s ซุสป r อร์ตส์ เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อมิทราจิโมเมสนิซูเรากำลังมองหาร้านขายยา mi t r a จ i m o a p o t e k ุเราต้องการซื้อลูกฟุตบอลนายเม желимо купить футбольскую л о เราต้องการซื้อซาลามีไนเม่เจลิโม่คูปิติซาลามูเราต้องการซื้ อ, อยาไนเม่เจลิโม่คูปิติเลคโควเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามีมิท ra ž i m o เมสนิตซดบ mokup ปลิซาลเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา mi t ra ž i m o apo โต ku ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน ติ auto <bonito> ุอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนในายมนามแรมวัมคูปิตีปรสเทนอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพในายมนามแรวัมคูปิตีฟิลมอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก ไห น, นแมน่าแม่รำวำคูปิติต่อรู้ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนอยากทราจิมสลาตาราดะคูปิมปรสเตนี่ฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มยาราจิมฟอตรดัดคิมฟิลม ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ย traži ิ post ลติ ĉnisu dakup ม tortu ุ